จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทคุบาศสุโบาสิกาผู้ไฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันายนที่6ธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรรมวสวนาวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัน เพื่อปฏิบัติตามพ่อธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมอยู่ที่การกระทำของเราคือการกระทำทางกายทางวาจาหน้าทางใจถ้าทําดีใจก็จะมีความสุขเป็นความเจริญถ้าทําไม่ดีใจก็จะมีความทุกข์มีความเสื่อม วันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเรามาละการกระทำสิ่งที่ไม่ดีกันสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรก็คือการเสพอ บ, บายามุขการทำบาปและความโลภความโกรธความหลงนี่คือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้จิตใจเราเสือ่อมทำให้จิตใจเราวุ่นวายทำให้จิตใจเราทุก เวลาตายไปเราก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าเราไม่ทําการกระทําเหล่านี้เราก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายขณะที่เราอยู่เราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นขอให้เรามองการกระทําเหล่านี้ว่าเป็นข้าศึกศัตรูเป็นเหมือนเสือสิงกระทิงแรก ที่เราไม่อยากจะอยู่ใกล้เพราะเวลาเราอยู่ใกล้เราจะถูกกัดถูกขวิดทาให้เราเจ็บทาให้เราปวดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพยายามละให้ได้ถ้าเรายังละไม่ได้อบายยมุกก็มีอยู่5ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการดื่มสุรายาเมา ข้อที่2ก็คือการเล่นการพนันข้อที่3ก็คือการเที่ยวกลางคืนข้อที่4ก็คือการครบคนไม่ดีเป็นเมตรและข้อที่5ก็คือความเกลียดครา้านการกระทำเหล่านี้ไม่ได้นําให้เราได้ประโยชน์ได้ความสุขเพิ่มขึ้นแต่จะทําให้เราเสียประโยชน์ ทำให้เราได้รับความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะการทำเหล่านี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเช่นการดื่มสุราดื่มแล้วก็ต้องเสียเงินไปซื้องเงินมาจ่ายสุราแล้วก็ดื่มแล้วก็จะเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปทำงานทำการทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เพื่อมานั่งดื่มสุรากัน พอดื่มแล้วก็เกิดอาการมึนเมาถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะไปทำบาปต่อไปได้แล้วก็มึนเมาก็ต้องหลับนอนนอนก็นอนมากเกินไปตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปทำงานไม่ไหวก็ลา ง, งานถ้าลา ง, งานบ่อยๆต่อไปก็จะตกงานรายได้ก็จะไม่มี แต่ความอยากสิบอยากดื่มสุรายาเมามันยังไม่หมดไปตามเงินทองพอไม่มีเงินทองก็ต้องไปกู้หนี้ยู่สินไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะเอาเงินทองมาซื้อสุราดื่มต่อไปพอเป็นหนี้เป็นสินก็จะต้องคอยหลบหลีกเจ้าหนี้ถ้าไปเจอเจ้าหนี้ที่โหดร้ายก็จะถูกทําร้ายได้ นี่คือการกระทาผลที่เกิดจากการดื่มสุรานอกจากเสียเวลาเสียเงินแล้วยังเสียสุขภาพร่างกายถ้าดื่มสุราอย่างต่อเนื่องก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาโรคดับไตไตไตวายตับแข็งแล้วก็จะต้องเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร นี่คือความเสียทางร่างกายความเสียทางจิตใจก็คือเวลาดื่มสุราแล้วจะไม่มีสติคอยควบคุมความคิดการกระทําทางกายทางวาจาเวลาคิดไม่ดีก็หยุดไม่ได้พอหยุดไม่ได้ก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีพอพูดไม่ดีทําไม่ดีก็เกิดความเสียหายเกิดโทษตามมา ถ้าไปทำร้ายผู้อื่นก็จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปขังในตารางหรือถูกผู้อื่นเขากลับมาทำร้ายถ้าไปด่าไปว่าผู้อื่นก็จะถูกผู้อื่นเขาด่าว่านี่คือสาเหตุที่เกิดนี่คือผลที่เกิดจากการเดิมสุรายามามีแต่เสียไม่มีได้ส่วน ข้อที่สองก็คือการเล่นการพนันการเล่นการพนันก็เช่นเดียวกันเวลาได้ก็อยากจะได้มากๆก็จะเล่นต่อพอเล่นต่อไปเดี๋ยวก็หมดนะเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่อเล่นต่อก็หมดนะหมดก็ไปกู้หนี้ยืมสินไปคลักขโมยไปทำบาป ท, ทำกรรนะเช่นเดียวกับการเที่ยวกลางคืน เที่ยวกำคืนหรือเที่ยวเตรก็ไม่ใช่เป็นการหาเงินหาทองแต่เป็นการสูญเสียเงินทองเงินทองที่หามาได้แทนที่จะเก็บเอาไว้เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปขยายเงินให้มากขึ้นก็ไม่สามารถทำได้เพราะจะต้องเสียไปกับการเที่ยวเตรการคมบคนไม่ดีเป็นไม่ก็เป็นเหตุ ที่จะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปคนไม่ดีก็คือคนที่ชอบเสพสุรายาเมาเล่นการพ น, นันเที่ยวเตยมีความเกียดคร้านนี่เองเวลาคบค้าสมาคมกับเขาเขาก็จะชวนเราไปในทางของเขาเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราเดื่มสุราเขาชอบเล่นการพ น, นันก็จะชวนเราไปเล่นการพ น, นัน เขาชอบเที่ยวเตะก็จะชวนเราไปเที่ยวเตะเขาชอบความเกลียดครั้งเขาก็จะชวนให้เราเกลียดครั้งเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะได้รับความเสียหายตามมาดังนั้นเราจึงควรรู้จักเลือกคนแยกคนคนไม่ดีเรื่องดีไม่ได้อยู่ที่ว่าร่ำรวยหรือยากจนคนไม่ดีอยู่ที่ การกระทำการกระทำก็คือเสพอบายามุขทำบาชเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดบดเป็นต้นนี่คือการกระทำไม่ดีถ้าเราครบกับคนที่เขาชอบกระทำสิ่งเหล่านี้เขาก็จะชวนเราไปกระทำตามที่เขาชอบแล้วเราก็จะต้องมารับผลที่ไม่ดีต่อไป ก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆที่จะตามมานี่คือการกระทาทางกายทางวาจาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามลดละกันเลิกกันให้ได้เพราะเลิกได้แล้วจิตใจชีวิตจะดีขึ้นจะไม่มีเรื่องวุ่นวายจะไม่มีเรื่องเสื่อมเสียตามมา แล้วส่วนทางใจนี่ท่านก็สอนให้เราละการกระทำที่ไม่ดีสามประการก็คือความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภนี้จะทําให้เราต้องไปทําอะไรต่างๆที่ไม่ดีต่อไปเช่นเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีสุจริตเราก็จะไปหาด้วยวิธีทุจริต ก็ไปทำบาปคนที่ไปทำบาปกันนี้ก็เพราะว่าเขามีความโลภเขาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอเข้าหาโดยวิธีที่ถูกกฎหมายถูกศีลถูกธรรมไม่ได้เขาก็ไปหาโดยวิธีผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมแล้วในที่สุดก็ต้องถูกจับเข้าไปขังอยู่ในคุกในตาราง นี่คือที่ไปของผู้ที่มีความโลภแบบไม่มีขอบเขตถ้ามีขอบเขตถึงแม้ยังมีความโลภอยู่ก็ยังปลอดภัยในในระดับหนึ่งก็คือถ้าเราโลภเราอยากได้อะไรเราก็หามาโดยวิธีที่ถูกต้องไม่ผิดศีลผิดทางมไม่ผิดกฎหมายเราก็จะได้ไม่ต้องไปรับใช้โทษ แต่การที่เราหามาด้วยความถูกต้องนี้มันก็ให้ความสุขเราเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็อยากจะได้ของใหม่อีกเราก็ต้องไปหาอีกเพราะความโลภมันจะไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราทําตามความโลภมันก็จะต่อไปเรื่อยๆได้สิ่งนี้แล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากจะได้สิ่งโ น, น้น หามาเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอแล้วเวลาที่โลภแล้วไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความเสียใจหรือเกิดความโกรธคนที่เขาขัดขวางเราคนที่เขาไม่ตอบสนองความโลภของเราเราก็จะโกรธเขาเราอยากจะได้อะไรจากคนนี้คนนี้เขาไม่ให้เราเราก็จะโกรธเขาเช่นลูกอยากจะได้ของจากแม่พอแม่ไม่ให้ก็จะโกรธแม่ แตากที่แม่ไม่ให้เพราะแม่มีความรักมีความสงสารเพราะสิ่งที่ลูกขอนี้เป็นโทษเช่นขอไปเที่ยวแทนที่จะขอไปเรียนพิเศษแทนที่จะขอไปอ่านหนังสือขอไปดูทีวีขอไปเล่นเกมนะการกระทาที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์พ่อแม่ก็ต้องห้ามพอห้ามก็ไปโกรธพ่อโกรธแม่ขึ้นมา ดีไม่ดีก็ไปด่าพ่อด่าแม่กลายเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมาอีกถ้าโตเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเถีงกับทุกตีหรือฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้เราคงเคยได้ยินนิทานเรื่องของคนที่ฆ่าแม่เพราะความหิวเพราะความโกรธไปทนานาแล้วแม่มีหน้าที่เอาข้าวไปให้วันหนึ่งแม่ไปสาย ลูกก็หิวพอแม่เอาเข้าวมาให้ก็โกรธนมาทุกตีมากจนจนแม่ตายไปเพราะไม่ได้ด่งใจต้องการรับประทานอาหารเวลานั้นแต่แม่มาสายมาไม่ทันก็เลยเกิดความโกรธนี่เป็นเพราะว่าความโลภนี่เองพอไม่ได้อะไรแล้วก็จะโกรธจะเสียใจแล้วก็จะไปทําในสิ่งที่เสียหายต่อไป ถ้าเราไม่โลภแล้วเราจะไม่เดือดร้อนจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรการที่เราจะไม่โลภได้นี้เราต้องแก้ที่ความหลงเพราะความหลงเป็นตัวเป็นเหตุที่ทำให้เราโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นเราอยากจะได้แฟนถ้าเราใช้ปัญญาใช้ความจริงมาแก้เราจะรู้ว่า การมีแฟนนี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขการอยู่คนเดียวสบายกว่าการมีแฟนแต่เราไม่รู้กันเพราะความหลงไม่บอกเราเพราะเราเราอยู่คนเดียวไม่ได้เรามีความเหงามีความว่าเหวก็คิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขจะหายเหงาหายว่าเหวเราก็หายชั่วคราวเวลาอยู่กับแฟน แต่เวลาแฟนไม่อยู่กับเราเราก็กลับมาเหงากลับมาว้าเวเหมือนเดิมแล้วเวลาแฟนเ้าไม่ดีกับเราก็เกิดการทะเลาะวิวาสกันและอาจจะถึงกับต้องเลิกเลิกกันแยกทางกันไปนี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเวลาเราอยากจะได้อะไรเรามักจะมองเห็นว่าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดให้ดีก่อน ทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรให้รู้ให้มองให้เห็นว่าของที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยมมันไม่ถาวรมันเปลี่ยนได้แฟนที่รักเรากลับมาเกลียดเราก็ได้ไม่รักเราก็ได้ไม่อยู่กับเราก็ได้แล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขารักเราไปตลอดไม่ได้สั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดไม่ได้ สั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้พอเขาไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราเราก็เสียใจและอาจจะเสียใจถึงกับคิดฆ่าตัวตายก็ได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่สอนจใจให้เห็นความจริงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมันไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียว มันให้ความสุขเดียวเดียวแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาถ้าเราคอยสอนใจมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราควบคุมไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปเราห้ามมันไม่ได้มันจะจากเราไปเราห้ามมันไม่ได้เวลามันไปเราก็จะเสียใจจะทุกข์ใจนี่คือวิธีแก้ความโลภต้องแก้ที่ความหลง ต้องมองเห็นว่าไม่มีอะไรน่าน่าโลภน่าอยากได้สิ่งที่น่าโลภที่น่าอยากได้ก็คือการทําความดีนี่เองถ้าเราไม่ทําบาไม่เสพสุรายามเมาไม่เสพอ บ, บายามุกนี่ใจเราจะมีความสุขถ้าเราทําบุญได้ทําทานได้สละทรัพย์สละข้าวของเงินทองได้เราจะมีความสุข ถ้าเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบดังเราจะมีความสุขเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วจึงเอามาสอนพวกเราให้เรามาหาความสุขแบบนี้กันอย่างไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือบุคคลล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเอาหาความสุข จากการทำบุญทำทานหาความสุขจากการรักษาสิ่งหาความสุขจากการละเว้นการเสพอบายามุขหาความสุขจากการฝึกฝนอบรมจิตใจทำใจให้สงบทำใจให้ชลาเพื่อที่จะได้ดับความหลงที่คอยหลอกให้ไปโลกไปอยากได้สิ่งต่างๆพอไม่ได้ก็โกรธเสียใจ แล้วก็ไปทำบาปทำกรรมต่อไปนี่แหละคือการกระทําของพวกเราถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจา้ามาคอยสอนมาคอยบอกพวกเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ความล่มเย็นเป็นสุขชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอย่างที่เรายังมีกันอยู่ทุกวันนี้เพราะ พวกเรายัางไม่สามารถทาทานที่พรดเจ้าทรงสอนให้กระทาได้ครบบริบูรณ์นั่นเองทางทานเราก็ไม่ได้ทำบ่อยรักษาศีลก็ไม่ได้รักษาบ่อยอบายามุคก็ไม่เลิกสมาธิก็นั่งไม่เป็นปัญญาก็พิจารณาไม่เป็นมองไม่เห็นไตรลักษณ์มองไม่เห็นอนิจจทุก ข, ขังอนัตตาชีวิตของเราจึงลุ่มๆุ่มดอนดอน มีสุขมีทุกข์เพราะว่ า, าการกระทำของเรามันลุ่มลุ่ ม, มดอนดอนมันไม่เป็นไปาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกประการนั่นเองถ้าเราสามารถทําที่พุทธเจ้าสอนทุกประการได้รับรองได้ว่าผลจะไม่ลุ่มรุ่ ม, มดอนดอนผลจะมีแต่ความสุขขึ้นไปตามลําดับจนถึงความสุขขั้นสูงสุดดังนั้นขอให้พวกเราจงมีศรัทธามีความเชื่อ พระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอาเรียรสงสาวกทั้งหลายว่าท่านเป็นผู้ที่ได้พบทางสู่ความสุขพบทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วท่านก็เอาคำสอนนี้มาสอนพวกเราถ้าพวกเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามพวกเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันก็คือเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ เราจะได้พบความสุขที่แท้จริงที่ถาวรยิ่งขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมากระทําในสิ่งที่ดีและละเว้นในการกระทาสิ่งที่ไม่ดีตามคำสอนของพพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขและความเจริญและความสิ้นทุกที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุดติไวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขร่างามเจริญแค็งแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากายเอ่อน <c oughs>